ตามปกติการนินทาลับหลังก็ดีการว่าร้ายต่อหน้าก็ดีถือกันว่าเป็นสิ่งไม่ควรกระทาพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำในเรื่องนี้ไว้อย่างไรพุทธดารัสตอบดูก่อนพิษุท์ทั้งหลายพึงทราบว่าวาทลับหลังใดไม่เป็นจริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าววาทลับหลังนั้นเป็นอันขาด แม้ทราบว่าวาทฏลับหลังใดจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าววาทฏลับหลังนั้นพึงเป็นผู้รู้จักการเพื่อจะกล่าววาทฏฏลับหลังนั้น